พระธรรมเทศนาแผ่นที่87ดลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่6พฤศจิกายน2558มีชื่อเรื่องว่ามีปากให้ระวังปากผู้ที่ มาอยู่ไตสลากของเขาเนี่เอ๊เป็นอย่างสาาลากหลังในหัวใช่ไหมเนี่ยตามไม่จริงบ่เม็นสล า, าหัวในลูกหลานน้ําค้างขึ้นไปเกาะอยู่ข้างล่างแล้วก็หยดลงมาเนี่ยมันไม่ใช่ทะลุลงมาจากข้างบนเป็นน้ําค้างที่มันเกาะสังกะสีเพราะมันเกาะสังกะสีมันก็ตกลงมาเนี่ยลูกหลานเดินไปให้ระวังอพอไปเหยียบแล้วเจียวจะลื่นได้ง่ายๆ ไม่ใช่หลังหลังคาศ า, าลารั่วมันเป็นน้ำค้างอําเภอนายุงน้ำสูบมันเป็นอย่างนี้แหละน้ําหลังคาศาลาสังกสีเนี่ยไหลเป็นทางเลยล่ะแปลว่าเ อ, อดื่มน้ําได้กินน้ำค้างได้เพราะนักขยากเสียงดีนะให้กินน้ำค้างนะจิงหลีดมันสอนลางโงน่ะ ใครอยากจะเสียงดีอลางโง่ตัวหนึ่งไปหากินหญ้าไปหากินหญ้าอยู่ในทรายป่าเห็นมันตกลมาหาลงพ่อยนะันไหนน้าค้างลางโง่อพวกลาพวกมา้าพวกรอพวกพวกเราคงจะรู้มั้งมีลางโง่ตัวหนึ่งไปหากินอาหากินหญ้ายในทรายป่านะได้ยินเสียงกิ่งรีดมันร้อง ลาตัวนั้นก็จับใจว่าทำไมเสียงมันเสียงแหลมนะักเสียงเพราะยาลาโง่ก็เลยถามจิงดีธว่าทำไมแก่จึงเสียงดีขนาดนี้จิงลีธก็ตอบกับลาโง่ว่าข้าไปเจ้ากินแต่น้ำค้างถ้าหากว่าเสียงท่านจะให้เสียงดีกับเหมือนข้าไปเจ้าท่านคง ท่านควรจะกินน้ําค้างเสียงท่านจะดีเองเหมือนลางโง่ตัว น, นั้นก็เลยอไม่กินหญ้าไม่กินน้ํากินแต่น้ําค้างเลียกินแต่น้ําค้างอในแมช้าละในแม่ช้าลางโง่ตัว น, นั้นก็เลยตายใช่ไหมั่นแหลสรุปแล้วก็คือคนอยู่ในสถานะจิง้งริคือสถานะกลาเนะี่ยลางโง่ เ, ออเวลามันลามเสียงมันล้อมันดังอ๋เ อ, อเสียงจิ้งหรีดมันล้อดังชี่วเป็นเสีย ง, เ ส, ยงเสียงแหลมอไรลางโงก็ะไรอยากจะได้เสียงแหลมเหมือนกับจิ้งหรีดออนี่แหละเป็นชาดกเป็นนิทานเตือนพวกเราทั้งหมดะเราอยู่ในสถานะไหนควรปฏิบัติให้ถูกต้องตามสาทนะสถานะนั้นนั้นวันนี้เป็นวันที่หก พฤ ธ, ธิกายนพุทธศักราช2558อีกสองวันข้างหน้าเป็นวันกระถินสามัคคีของพวกเราพวกเราได้ใครครับดูแล้วนะหลวงพ่อมองดูแลว้วก็ความพร้อมของงานก็ประมาณจัก 70-80 เเซนนั่นแหละคิดว่าพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมก็คงจะทยอยเข้ามา แต่ทิ้งยังไงทางาพี่น้องลูกหลานศรัทธาญาติโยมทางในครัวและในหมู่บ้านของเราก็ให้เตรียมเตรียมกันต้อนรับกับสู้เรื่องอาหารการบริโภคเพราะเราเป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าของท้องถิน่นเจ้าของงาน เ, าเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อหลวงพ่อขอมอบให้ลูกหลานช่วยช่วยกันดูอันไหนที่จะ ถูกต้องเป็นธรรมาการอยู่ด้วยกันหลายหลายคนต้องสํารวมกิรลยาภิรยาสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อย อ, อย่าให้มีปัญห า, เ, าเพราะว่าพวกเรามาอยู่ด้วยกันลหลายคนต่างคนต่างระมัดระวังถ้าไม่ระมัดระวังนะมีโทษนะถ้าไม่ระวังวาจาก็มีโทษ ไม่สำรวมกายก็มีโทษไม่สำรวมใจน้ำไขมองไม่เห็นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาจากใจทั้งหมดนะถ้าหากว่าผู้ที่มีธรรมแล้วก็สารวมใจทีเดียวในเมื่อสำรวมใจทีเ ด, เ, จทเดียวแล้วก็กายว่าจาก็สารวมไปด้วยแต่ถ้าหากว่าใจของเรายังคึกคึกขนองยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ เผ อ, อเผล อ, เ, อเวลามันเผลอนะมันจะแผลมออกมาเออมันจะแผลมออกมาทางกายก่อการกระทำก็ผิดเพี้ยนไปไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมตามกฎหมายบ้านเมืองเวลาพูดออกไปก็พูดผิดพูดไม่ถูกต้องออตามขนบธรรมเนียมหรือตามกฎหมายบ้านเมืองเพราะหลไหรเพราะใจของเรา ขาดการยับยัง้งขาดใจของเราขาดสติถ้าว่าใจของเรามีสติอยู่ตลอดเวลานั่นละ่ะการแสดงออกทางกายทางวาจาก็จะไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมพวกเราได้ยินไหมหลวงพ่ออยู่ในวัดจะมีคนมาเล่าเล่าให้หลวงพ่อฟังเมื่อไม่นานมานี้นหนุ่มคนไทยขนองปาก ขึ้นไปเครื่องบินแล้วบอกว่าระวังระเบิดนะบอกกับแอร์โฮสเตดระวังระเบิดอยู่ในกระเป๋านะระเบิดนะแต่หลวงพ่อได้ยินอย่างนั้นะได้ยินเขาเขาพูดให้หลวงพ่อฟังพอช่วงเนี้ช่วงเครื่องบินตกอยู่แล้วใช่ไหมออไอคนที่ได้ยินมันมันไม่สนุกด้วยนะเนี่ยเนี่ยเขาก็ไปบอกกับตันะ กับตันกันไล่คนลงเดี่ยวนั่นเลยเพราะความปลอดภั ย, เ, ยเพียงคำพูดคำเดียวเท่านั้นแหละทำให้ตนเองจิบหายเลยทีเียวผลที่สุดคนเนี่ยผลที่สุคโดนสอบสวนอีกออแล้วก็ต้นสังกัด เ, เรียกไปสอบอีกออทางบริษัทการบินฟ้องร้องอีกเพราะทำให้เขาเสียหาย คนไม่ขึ้นเครื่องบินในช่วงนั้นตัวเองก็เลยซวยเลยฮนี่แหละอันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดประจานหรือไม่ได้พูดดูถูกเหยียดหยามไม่ใช่หลวงพ่อเตือนให้พวกเราเนี่ยที่นั่งฟังหลวงพ่ออยู่ในขณะนี้นะ่ะใช้สำรวมวาจาสรุปแล้วการที่จะพูดอะไรออกไปไม่ใช่หลวมปากแล้วก็พูดออกไปใครจีรตรรสไม่ได้คิดพอผลที่สุดกันนะความเดือดร้อนก็จะเข้ามาหาตัวเอง เดือดร้อนเลยแต่นะี่ไม่รู้เขาจะฟ้องเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่การบินเขาเสียเวลาคนไม่ขึ้นเครื่องเขาเสียเที่ยวในเที่ยวนั้นตัวเองเนะ่เพียงคำพูดคำเดียวนี่นเสียหายเนี่แหละในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเตือนท่านบอกท่านกล่าวเอาไว้เพราะนั้นหลวงพ่อเองเป็นห่วงในการทำงานร่วมกันมากมายหลายๆคนอย่างงานกระถินเนี่ย ก่อนที่จะมาร่วมงานกันอย่างนี้ทั้งพระทั้งบวชใหม่บวชเก่าทั้งพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมหญิงชายผู้ที่เขามาร่วมไม่ใช่ว่าเราหลวมปากเราก็จะพูดไปเราจะพูดอะไรก็พูดไปโดยที่ไม่คิดไม่อ่านเห็นไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> คนที่พูดในที่คับขันอย่างนั้น อไปพูดได้ยังไงพูดในเครื่องบินใครๆก็กลัวมันบินขึ้นฟ้าแลเบิดต้มขึ้นมาตายหมดทั้งลําอไปพูดได้ยังไงพูดผิดกาละเทสะพูดไม่ใช่การเวลาถ้าไปพูดในวงเล่าก็ไม่เป็นไรใครก็ไม่ถือกันแต่ไปพูดในสนามบินไอพูดในเครื่องบิน <c oughs> ใครๆก็กลัวตายทั้งหมดใช่เออหลวงพ่อว่าโอ้ไม่ดีแล้วลูกหลานเลยถุงข่าวสวยละตายเพราะปากจริงๆใช่ ช่วยพ่อปากเพราะนั้นพวกเราที่นั่งฟังอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่นะให้สํารวมระหว่างปากนะปากนี่ปากเป็นเอกเลกเป็นโทองนะถ้าพูดดีเป็นสีแก่ปากถ้าพูดมากปากเป็นสีเป็นเสียงเขาตีปากแต่ปากแตกกับเป็นสีแดงออกมาฮนะแล้วก็พูดดีเป็นเงินเป็นทองพูดไม่ดีเสียงเงินเสียทองเสียชื่อเสียเสียงพูดไม่ดีฮ อย่างที่พวงหลวงพ่อพูดให้ฟังในชาดกท่านก็ยังพูดว่าเต่าตัวหนึ่งเน่มันอยู่ในตีนเขาป่าหิมพผ่าอมันอยู่งูงงามเต่ามันก็ไปตามประศรีประสาทคงจะตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่มั้งตัวอาจจะตัวใหญ่แต่ตัวมันอาจจะเกิดหลายปีแต่ตัวมันเล็กไงเต่าตัวเล็กมันรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มันมีได้เต่าแตนี้นกหงส์สองตัว นกหงส์นกหงส์สองพี่น้องไปกินอาหารอยู่ดิไปหากินอาหารอยู่ในอในหนองน้ําตีนเขาป่าหิมะผานไปกินมเมล็ดหญ้บาบังไปกินอะไรตามนั่นน่ะตามภาษาหงส์หากินทีนี้ไปเห็นเต่าทุกวันทุกวันไปเห็นเธอได้ก็คุยกันกับเตา่าเอเต่าก็เห็นหงส์หงส์ก็เห็นเต่าไปด้วยกันหงส์ก็เลยคุยว่าไอ้เตา่า ตะแก่เนี่ยเคยไปไหมไอ้เธอเธออยากจะไปไหมไปอยู่ที่ไปดูที่ถ้าของเราโอ้ถ้าของเราเนี่ยสวยงามนะไอ้ตะแก่เนี่ยคงอยู่ยในในคลองเท่านี้แหละอา่าเพราะฉะนั้นตะแก่ควรจะไปดูถ้าไปดูดูถ้าเอ่อของเราเนะี่อแก้วถ้าแก้วสวยงามนะที่อยู่ของหงว้อยเต่าโอ๊ ย, ออยผมไม่มีปัญญาจะไปแหละขนาดผมเดินเนี่ก็ตุวมเตี้ยมพลังแล้ว ผมจะไปได้ยังไงเอา้าถ้าว่าเต่าอยากจะไปนะเราจะพยายามให้ไปให้ได้ให้เห็นให้ได้เนะพราะเราเป็นเพื่อนกันแล้วจะทำยังไง เ, เต่าว่านะแต่หงก็เลยแนะนำววาว่าเราสองสองตัวเนี่ยหงสองตัวเนี่ยจะมีไม้แข็งแข็งไม้ไผ่ชี้ไม้ไผ่แล้วก็ให้ตะแกรงคาบคาบตรงกลาง คาบตรงการลางเราพวกเราจะคาบทังสองส้นหบินเลยแต่แกก็แขวนแขวนไปอย่างงั้นแหละพอไปถึงที่หลังค่อยเอาลงแต่แกคนนั้นดูไ ด, ด, ได้ดูได้ชมเสร็จแล้วเวลาจะกลับมาเราก็จะเอามาส่งอีกถึงที่อีกถ้าจะจะมานะถ้าไม่อยู่จะอยู่ที่นู่นหรือไปอยู่หาที่ อ, อื่นเอกก็ยังได้อหกแนะนําเต่าก็ชื่นใจเออใช่อย่างได้เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเปลี่ยนบรรยากาศอย่างนั้นแหะ เต่เต่าก็ดีใจแต่หงก็ บ, บอกว่ามีข้อแม้ขึ้นมาว่าในขณะที่คาบนั้น้ามพูดนะให้คาบให้แน่นนะถ้าหากว่าไปถึงที่ซะก่อนออจะว่าอะไรยังค่อยว่าถ้าหากว่ายัางคาบอยู่นั่นน่ะไปพูดไปอะไรขึ้นมาเนี่ยมันตกอันตรายนะ เ, เราไม่รับรองนะมันบินสูงนะเต่าเออได้ เพียงแค่นั้นน่ะเอเต่ารับสารภาพเต่ารับประกันเหมือนกันจากนั้นหงสองตัวก็เลยหาชี้ไม้ไผ่มาประมาณชักข้าแขนเนี่ยประมาณจะเกือบเม็ดนปลาก็ให้เต่าคาบตรงกลางพอคาบขึ้นมาแล้วนกโขงก็บินขึ้นบินทดลองดูคาบให้แน่นนะโขงเต่าก็คาบตรงกลางใช่ไหมหดขาเข้ามาแล้วก็คาบตรงกลางคาบให้แน่น นอนกหงส์สองตัวก็บคาบไปตาไปลายส้นไม้ทั้งสองข้างบินขึ้นดูบิ น, นดูโอ้ได้ไปได้วะเอาลนะน่าที่นี่นะงั้นอย่าไปพูดจะไปอะไรนะเอเต่าเอ้อจากนั้นเต่าก็คาบไม้ตรงกลางนกหงส์ ก, ก็ บ, บินขึ้นแล้วพอบินบินบินบินไปพอไปผ่านกรุงพาราณสีใช่ไหมพลกรุงพาราณสีมันคนเยอะใช่ไหม ันเด็กมันกำลังเล่นในสนามบังเตะฟุตบอลสมัยคงจะมีไม่มีฟุตบอลคงจะเล่นแล้วเล่นกันนั่นแหละสนุกสนานกันเล่นกีฬงเล่นกีฬากันแต่นี้นกหงส์มันก็ขาบสองไม้ไปผ่านไปมันก็คงจะบินไม่สูงเท่าไหร่ม嘛เออมันก็บินไปตามนั่นแหะแต่นี้คนก็มองเห็นเนี่ยมันเห็นของแปลกใช่ไหมล่ะเออเขาก็บอกว่าโอ้เต่าเต่าหาผงเต่าหาผงเขาน่ะ ก็มันเต่าอยู่ตรงกลางใช่ไหมล่ะเออนกหงส์งมันอยู่สองข้างไนะไอ้เต่านี่ก็บอกว่า <c oughs> เด็กมันพูดไม่ถูกไนงะเต่าหามหงส์มันจึงจะถูกมันจะว่าหงส์เอเต่าหาหงส์ได้ยังไงเออพอว่ า, าเต่านัเต่าก็เลยจะดาเด็กน้อยอยู่ข้างล่างเลยสูโพดไปทุกเออตงหงส์หามเต่ามันจึงจะถูก จะว่าเต่าหาผงได้ยังไงคนไปกลังอ้าปากมันออกไปกำลังอยู่ทบนอากาศพออ้าปากตอนนั้นหมดมันก็หลุดใช่ไหมหลุดจากไม้นะ่เต่าตอนนั้นเลี้วลีเลี้วลีลงมาหงกระลี ว, วางไม้เลยเอามือเอาปีกเข้าไปซ่อนมันไปไปซ่อนเตา่ามันจะซ่อนได้ยังไงใช่ไหมมันรับไม่ได้เต่าก็เลยตกลงมาในกระดานตกปั้งในกระดานเพราะนั้นพวกเราเห็นไหม หลังเต่ามันแตกมันยังเป็นซี่ๆอยู่เห็นไหมหลังเต่ามันแตกมันแตกกระแทกกับพื้นเออเต่าหลังก็เลยหลังแตกแต่ข่าวนั้นต่อมานะนี่แหละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าพูดให้รู้จักกาละการสถานที่ถ้าไม่รู้จักการสถานที่่ะ ต, ตายได้เหมือนกับเต่านเะเออหงบอกว่าจะไปพูดนะเอถึงที่มีอะไรยอย่างไรพูดเต่ามันอดไม่ได้ทีนีอ เห็นเด็กเขาบอกว่าอเต่าเออเต่าเต่าหามหงก์เขาว่าหามเขาอยู่ตรงกลางไงไหมเต่าหามหงก์เต่าเขาบอกว่าไม่ใช่เด็กหคนนี่มันพูดไม่ถูกไยเต่าหงหามเต่าออหงหามเต่ามันจึงจะถูกเออนี่นแหละก็เลยพูดขึ้นมาเต่าตอนนั้นก็เลยตกมาจากอากาศก็เลยตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการจะพูด ว่าจะพาทีอะไรให้รู้จักกาละเทศากาสถานที่บุคคลถ้าเราไม่พูดไม่รู้จักกาละเทศากาสถานที่บุคคลแล้วติดคุกได้นะปรับไม้ใส่โทษได้อีกติดคุกได้อีกเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักการสถานที่บุคคลนี่แหละอันนี้ก็คืออันหนึ่งนะ่ะ เ, เคยเข้ามาให้รู้จักในการวางตัวการคำพูดเ อ, อ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งถิ่นหลวงพ่อจะเล่าเป็นเรื่องนิทานให้ฟังชาดกดเรื่องนิทานให้ฟังเปรียบเทียบให้ฟังถ้าว่าพูดไปธรรมดานะ่ยลูกหลานจําจํายากจําไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงพูดเป็นเรื่องราวให้ฟังพ่อพูดเป็นเรื่องราวลูกหลานก็จํำได้หลวงพ่อเนี่สอนให้ลูกหลานได้คิดนะจําได้ มีนิทานเรื่องหนึ่งนิทานประเทศพมา่านะไม่ใช่ประเทศไทยเนี่ย เ, เขาพูดมาหลวงพ่อจำเขามากเป็นคติเพื่อจะแนะนำสั่งสอนลูกหลานอีกเหมือนกันนะนะออพอหลวงพ่อได้ยินอะไรมาหลวงพ่อจะถ่ายทอดนะพยายามถ่ายทอดให้พระเนนลูกหลานศรัทธา ญ, ญาติโยมที่เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าควรปฏิบัติตนอย่างไรมันจึงจะถูกต้อง นิทานแล้วว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนะี่ยมีเมืองหนึ่งมเมืองหนึ่งเป็นเมืองเล็กๆแต่สมัยก่อนก็คงจะเหมือนนะ่ะอาําจังหวัดน้องบัวลาพูของเราเนี่ยเป็นเมืองลักษณะอย่างนั้นแหละ mm hmm. สมัยนะะั mm ้น hmm. กับพวพตาได้พอ ว, อพอวอคือเป็นพี่พตาเป็นน้องปกครองเมืองน้องบัวลาพูสมัยนั้นแต่อันนี้อันนี้เป็นอีกเมืองหนึ่งพระเจ้าเป็นดินเมืองเล็กๆ แต่การปกครองของท่านเข้มแข็งมากพอตกพอการปกครองกลางวันนี่กัดูแลผสกนิกรเข้ามาดูแลคนที่มีโทษมีคดีเป็นธรรมที่สดุดมีความเ อ, อื้อเฟื้อเ อ, อื้ออารีดีที่สดุดแต่พวกต่อตกตอนเย็นมาอีกพระเจ้าเป็นดินหนุ่มเลยก็เอ้เขาอาจจะยกย่องต่อหน้าเราว่าเราเป็นคนดี แต่พอตกตอนเย็นกลับไปถึงบ้านแล้วก็อาจจะด่าเราก็ได้เราควรจะไปสืบสอบเป็นราชาการรับดนะูกันเลยบอกกับมหาดเล็กมหาดเล็กคู่ใจเอ้ยมหาดเล็กไปกับเรานะมหาดเล็กคนนั้นก็ใกล้ๆบอกพร้อมหมดทุกอย่างทั้งหมดัดทั้งมวยทั้งจัตรอาวุธอะไรก็ใใครๆแบบคุ้มครองพระราชาได้นะ พระราชาก็ไว้ใจไปด้วยกันสอดแนมไปบ้านนั้นบังบ้านนี้บังหลังเคิรนหลังเวลาคนเขากินเหล้าเมายากเวลาคนร่มคนตายมีการมีงานาเข้าไปแสกกับเขาใครๆบ้กเขาไม่รู้จักเลยคือพระราชาปลอมตัวไปพระนริศกับพระราชาเดินทางก็เหนื่อยใช่ล่ะเพราะงือเกลับมาไปเห็นยายแกคนหนึ่ง กำลังตําคกกระเดื่องอยู่ข่วงอยู่คงจะเป็นหน้านี้แล้วมั้งง่าข้าวข้าวใหม่ออกมาออกมาใหม่เนี่ยยายแก่คนนี้ก็ตําคกกระเดื่องอยู่สามสี่ทุ่มเ อ, อพรามันไม่มีโรงสีเนี่ยเขาก็ตําคกกระเดื่องพระลาชาก็ไปนั่งอยู่แถบๆใกล้ๆพอ nang ก็ไปมุงเดินทางเหนื่อยอย่าง ม, มันหิวด้วยสิพระลายชาก็หิวข้าวเหมือนกันนะหิวอาหารเนี่ย ก็เลยบอกให้มหาเลกไว้ไปเอาไไปขอลำกระยายเลยนไปขอลำกระยายน้ำอ่อนกับใยนะอไปขอลำลำลำอ่อนกับใ ย, ยนะั่นยยนะทั้งมหาเล็กก็ถามพระองค์จะเอามาอะไรเอ่ยก็มากินมาสวยเลยสิวะ่ะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไปกินไปสวยได้ยังไงพระราชาถ้ารู้ไปที่ไหนก็อายขอไปที่นั่นนะพระราชากินลำ เมนมีอาหารมา้าอาหารวัวอาหารหมูถ้าเอ็นกินลำพระราชาจะไปกินลําได้ยังไงไม่ได้จะไปเถอะจะไปหาคิดไม่ไม่ควรจะสวยไม่ควรจะกินเฮ้เราหิวเนี่ยวะ่ะพระราชาว่าด ไ, ไปเอามามาหาเล็กก็คัดค้านอีกอ้าวใครจะรู้ว่ะมีแต่เธอกับเราสองคนเท่านั้นแหะที่รู้วเราทําอะไรเรากินอะไรไปไปเอามา มหาเล็กกดล่นผลมาได้ก็ไปเอามากไปหาไปตอกกล้วยมากเกิใส่ลําเข้าไปใส่ลําอ่อนนะเออกมากมากพอสมควรเอามาโอ้ยพระองค์อย่าไปเสวยเถอะลาเนะ่ยถ้าเสวยเข้าไปแล้วเนะี่ยมันจะเสียชื่อเสียงพระราชาเด็กลนะําน่ยมันเป็นอาหารของวัวเขาจะได้ว่าพระราชาวัวพระราชาหมูเนี่มันธุรกิจที่สท์ไม่ดีเด้ กินลำเฮ้ยใครจะรู้อ่ะมีแต่เธอกับเราเธอเองนะรู้นะ่ะสองคนนะั่นแะถ้าเธอไปพูดใครจะพูดวะถ้าเธอพูดระวังนะคอขาดเข๋าใจไมเนยถ้าเขินพูดไปคอขาดเก๋าใจไหมพอวาด น, นมหารเล็กก็เงียบใช่ไหมคอขาดจริงๆในะสมัยนะั้นพระราชาเด็ดขาดใช่ไหมแต่เด็ก็กินแหละแตพระราชาก็หม่อมอะไรกันไง ก, กินลำหมดกัน กินจนเต็มอิ่มเลยคงยะจะอร่อยอยู่มั้งเขาก็ไม่ได้พูดต่อไปว่ากินอร่อยไหมจากนั้นก็แยกย้ายกันพอแยกย้ายกันไปตอนนี้กักนภาราชการกอนกับเพียงวังตัวเองกันไปหาที่พักแต่มหาเล็กนี่สิตอนนี้มันคันปากทีนี่อยากจะพูดว่า ง, งั้นเถอะอดล้นทนไม่ได้อยากจะพูดว่าภาราชากินลําไม่รู้จะพูดให้ใครฟัง ถ้าขืนพูดออกไปกลัวคอขาดเห็นไหมพระราชาสั่งได้เด็ดขาดห้ามพูดถ้าใครพูดคอขาดหน่ใครจะรู้มีแต่เธอกับเราท่านเองนะทีนี้เอ๋มหาหัตถ์เล็กเนี่ยตายมันคันปากเออทำฟันมันก็นเหมือนเส้นเลือดจะระเบิดเอ่าว่าแจก ว, ว่าใจแตกตายอะไรเงี้นนะถ้าไม่ได้พูดในเรื่องนี้อัดอั้นตันใจขนาดนั้นแต่ตามไม่จริงเรื่องของท่านนเออเราทําไมจะไปหาทุกขาร้อนเทีขนาดานั้น มหาดเล็กเนพอได้ช่วยปไม่ได้เถ้าเราไม่ได้พูดก็เลยนั่งเรือไปกลางบึงใหญ่กลางคือกลางทะเลและกลางบึงใหญ่เรือไปเข้าไปไกลๆนั่งรถจากฝั่งไปไปจะระบายพา่โอ้พยากินล้ำพยากินล้นยอยากจะพูดอย่างนั้น่ว่างนั้นเถอะเพื่อระบายความในใจพอได้ช่วยก็ไม่กล้าพูดเพราะเห็นคน อยู่ห่างไกลอยู่เยงเห็นคนอยู่ไม่กล้าพูดติดเผื่อเขาได้ยินขึ้นมาเล้ตายคอขาดกลับเข้ามาหาฟังอีก เ, ออเขาไปป่าช้าบ่เนี่ยพกไปป่าชา้าเห็นคงคนป่าชา้าบคนคงไม่เข้าไปเราคงจะพูดระบายในป่าช้าก็ได้เข้าไปโอ้ไม่กล้าพูดในป่าช้าอีก เ, ออเพราะกลัวคนจะบงับงบังปดๆดอยู่แถวแถวนี้อีก ถ้าได้ยินเสียงเราเขาไปก็ตายแล้วเราคอขาดไปท้องนาบปเนี่ยท้องนาท้องนาเกิดมองสุดตุ้งหูลูกตามองไม่มีใครแล้วนะเนเฮ้ไม่ได้นะถ้าเขาหลบซ่อนอยู่ที่จอมปวกแขงใดแห่งหนึ่งหร้อคันนาแห่งใดแห่งหนืองเราไปพูดขึ้นมาเนี่ยเราก็คอขาดอีกเราควรจะเข้าไปในดงใชอแต่นี่นะมันอัดอันอ้นตันใจนะมหาดเล็กเจี๊จะพูดจะระบายออกจาก จากหัวใจของตัวเองว่าอยากจะพูดว่าพยากินลำํำก็เลยเข้าไปในดงปีนเ ข, เข้าไปในดงลึกกวันะไปเห็นไม้ประดูใหญ่ต้นหนึ่งประมาณสักสองสามคนโอบนรงนั้นเลยแล้วมีเถาวันมันพันขึ้นไปแล้วก็ไม้ประดูจนนั้นมันยอดร่วนเะอีมันขึ้นไปแล้วมันยอดมันขาดทั้งแต่นี้ก็เลยปีนขึ้นไปมาพอปีนไปมองมอง เป็นไม้ปดหวงเป็นพโพรงเนี่ยเป็นพโพรงตรงกลางตรงกลางไม้ปดหวงเป็นเป็นพโพรงอกงไม่มีใครมองไม่มีเห็นใครเอาละระบายเท็่ตรงนี้แหละคงจะไม่มีใครเห็นเขาก็เลยพูดลงไปพยากินล่ําพยากินล่ําพยากินล่านะพูดในพโพรงไม้ปดหวงว่าไงเด็กนนะพอพูดไปพูดเท่านั้นะพูดเสียงดงัดงๆระบายออกนะนะั่นสบายใจนั่นแหละ คนถ้าไม่ระบายมันทุกมันอัดอั้นตันใจเลยพวกเราท่านทั้งหลายมีไหมแล้วมิได้ยินความลับอะไรมาเลยยากจะพูดตัวนั่นเละเนี่ยไอ้ผลวนิููก็เลยออกมาทลกลับมาบ้านเออสบายใจแล้วท่านี่ได้ระบายออกไปแล้วต่อมาที่นี่กองภัยลีของพระเจ้าแผ่นดินแตกป่ะเนี่ยไอพระเจ้าแผ่นดินแตะพวกประสบนิกรพวกพราหมณ์ทั้งหลายเขาก็เ น, นี่ยไอ้ก็ไปหาต้นไม้ ต้นไม้มันอยู่นังทางทิศไหนมันเป็นยังไง เ, เขาก็เอาหมอดูหมอเราเอหมอเก่าขกี้กากไปอดูต้นไม้มันเป็นเหมาะสมไหมจะเป็นกองไพรีคงจะลักษณะอย่างนั้นแหละเขาก็เลยไปโคนโคดโดยความระมัดระวังเพราไม้ประดูมันใหญ่อจากนั้นไม้ประดูต้นนั้นก็เลยเออกมคงจะทํายากถ้าว่าทุกวันนี้มันก็ไม่ยากหรอกเครื่องมือมันมีใช่ไหมสมัยก่อนมันต้องหาไม้เป็นโพรงใช่ แต่นี่นก็มาควัดมาคว้านมาอะไรเป็นกลองขึ้นมา เ, าเสียจแล้วก็มาเล้ามาขัดเกลาโอ้สวยงามก็หุ่มด้วยหนังควายหนังควายหุ่มกลองทําทอย่างดีเลยแต่ไม่มีใครกล้าตีนะเพราะว่าให้พระราชาตีตีกลองเป็นคนแรกจากนั้นก็ขึ้นห้างเหมือนกับห้างกลองกลองไยรีตีเพื่อจึกสงครามเหมือนกันเพื่อจึกสงครามก็มาจะได้ตีกลอง รวมพลเนี่ลก็เข้าไปในเวียงวังแล้วก็พวกพรามณ์ทั้งหลายก็ไปมอบให้ให้พระราชาเป็นคนตีทีแรกทั้งที่ตีทีแรกมันจะดังตุงต้งตุ้งตุ้งตีกลองใช่ไหมตีกลองรวมพลเนี่ยแต่นี้พระราชาก็จับขึ้นมาก็ตีเลยตีตุ้งพญากินลําตุ้งพญากินลําลเอ้าตีสองสามทีตัดๆ พญาก็เดยโยนกองทิ้งอโยนค้อนทิ้งเลยเดินหนีเลยเอ๊ะมันทําไมวะกองตัวนี้นะมันทำไมโยมบอกเพาพยากินหลําเอีมันเรื่องอะไรวะจากนั้นพระราชาก็เลยเดินออกไปเออแต่เรื่องราวต่อไปเขาก็ไม่พูดนะเอว่าเออพญาจะสืบสอบเอามาหาดเล็กคนนั้นหรือเปล่าอมันทํำยังไงกองตัวนี้มันจริง ยึง ป, ปจานปจานพราชาเนะีนะ่ยและวได้ทานเรือว่าชาดกเ ร, าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรื่องของท่านก็คือเรื่องของท่านทำไมเราจะไปเดือดร้อนถึงขนาดนั้นนะจะไม่ได้พูดแต่ใจจะขาดนะทำไมทำมาว่าโง่แลวจะว่าอะไรมันเรื่องของท่านก็คือเรื่องของท่านแล้วไปพูดทำไมนะพูดให้ไม่รู้จั ก, การาเสนาการสถานที่ มันพูดเพื่ออะไรนี่แหละมหาเล็กคนนั้นกลุ่มหลวงพ่อวัน้าตาหนิแต่พระรายชาหลวงพ่อกะตาหนิอีกเหมือนกันที่มหาเล็กพูดกระโโกนะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องให้รู้จักการเทศะการจะทำอะไรการจะพูดอะไรการจะวางตัวอย่างไรมันต้องดูถ้าเราวางตัวไม่ถูกทำไม่ถูกทาให้ลูกน้องของเรา เ, เอาไปพูดไปกล่าวเสียหายเพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้ใหญ่ การที่จะวางตัวอย่างไรให้ตัวเองเนี่ยต้องคิดซะก่อนไม่ใช่ว่าคิดได้คิดทำเหมือนกับตาสีตาสาตามีตามาทั่วๆไปไม่ได้พอเรามีสถานะอย่างนี้อย่างหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อเป็นพระอย่างนี้การที่จะวางตัวอย่างไรหลวงพ่อก็ต้องระมัดระวังทั้งคำพูดก็ดีการกระทำก็ดีเนี่ยะต้องระมัดระวังไม่ใช่ว่าเราจะทาสุบสี่สุมห้า อันนี้ก็ น, น่าตำหนิพระราชากินล่ําไม่รู้จักกาละการสถานที่นะมีแต่ความอยากความหิวเอหิวอยากแตก่ควรจะห้ามเพราะมันไม่ถกูกกินในที่ไม่ถูกถ้าจะกินไปทําไมฮ อ, อย่างพวกเราทั้งหลายนยะไปกินเหล้าเมาย า, เ, าเป็นผู้ใหญ่แล้วไปกินเหล้ามมายาเมาเปย์ซ้ายเปยขวานะ่ลูกน้องดูถูกได้นะให้ระมัดระวังอีกเหมือนกันเพราะนั้นเราไปกินอย่างนั้นมันไม่ถกูก อแล้วาการที่จะครับกระทําชิยงไหนก็ตามเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาต้องระมัดระวังในการวางตัวมันจึงจะโทุกข์ถ้าไม่รู้จักวางตัวอย่างนั้น่ะเหมือนพระลาชาอขณะดอยู่ในกองกองก็จะเตะ ต, ตุ่งตุ่งทั้งที่จึงตุ่งก็จว่าพยากินลำพยากินลําออจ น, นโยนค้อนกลองทิ้งะอคงจะกองตัวนั้นก็คงจะทบทิ้งเฉลิมขวัหลวงพ่อว่านนี่แหละ แฉ่สรุปล้วก็คือเรื่องราวนิทานหรือว่าความเป็นมาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวกันหน้าตำหนิทั้งสองทั้งสองทั้งลูกน้องทั้งเจ้านายถ้าเราถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นผู้ตัดสินพิพากษาหรือว่าให้แนวความคิดนะเพะนั้นให้พวกเราเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งเต่าก็ดีนะทั้งพระราชาก็ดี ก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้คิดว่าต้องส้ำรวมปากในการที่จะพูดอะไรออกไปในชุมชนสังคมในหมู่ในเพื่อนถ้าพูดออกไปไม่ดีเสียหายแอบต้องส้ำรวมรวะวังการพูดออกไปนี่จะเสียหายมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องได้ได้คิดไดก้กันกลองไตรตองเนะการทํางานการอยู่ด้วยกันแอบเพราะนั้นให้พวกเรา ท, ทุกทกท่านนะที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าววันนี้จะพูดยาวไปสักหน่อยเหมือนกันนะ เพื่อเป็นกติตัวอย่างของลูกของหลานจะทาญาติโจมพันเอนทุกหลานต่อในไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร